Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Mano pubbangama atama mano citta อิมัสสะธรรมปริยายัสสะอัตโธสาธายัสสะติณบัดนี้ เจริญจรงศรัทธาส่งเสริมสุสดับรับฟังซึ่ง พระธรรมเทศนาบุญกุศลและเป็น สติและเป็นเวลาของการและเป็นตนของตนให้เป็นไปตามของ ของพระสมาสัมพุตติยาวที่พวกเรา ครั้งนี้ก็เพื่อจะให้ฉะนั้น ในโอกาสต่อไปซึ่งเป็นภาษาบารีก็ เมโลเสทถามโนมยาแปลเป็นใจ แล้วหรือว่าสิ่งทั้งหลายสําเร็จรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เรื่องของจิตใจมโนเพียงคําเดียวคํา แห่งความรู้ซึ่งได้ชื่อว่าความรู้สิ่งใดที่พุทธแปลว่าความรู้ ไม่ได้หมายเอาถึงแม้อยากถึงสิ่งเงินใดซึ่ง อาการและลักษณะบอกถึงหน้า ก็เพียงแต่อย่างเดียวเอาเพียงแค่เรื่องของ Thắng lãi thắng cuồng nhanh Có khử chạy đuồng ni Khăm và Ta sợt súng sụt Có mãi tưởng chạy đuồng ni Quàm xấm vệt Súng ta súng Kẻ bước rau thân thắng lãi ก็คือใจดวงนี้คือใจดวงนี้ทั้ง หรือพิจารณาทําความเข้าใจง่ายๆณสั้นๆถึงลักษณะ เช่นดูรังคมังเอกัจฉรังอสริรังคู่ดังนี้เป็นต้นซึ่งแปลว่าใจล่องไป ไม่มีเขตกีดกันกำบังคํา เกิดเกิดความอบอุ่นที่ๆไม่มีนิมิต มองเห็นและรู้ล่วงรู้ได้ยก อย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นคู ได้นี่ตามที่กล่าวมานี้ล้วนแต่ พระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาถึงคําสอนของพระ ได้ประกาศศาสนาคือคําสอน กล่าวถึงประวัติการต่างๆของพระสาวกสาวิกาพระวินัยแต่ สร้างสรรค์ความเป็นระเบียบให้เกิด พระอภิธรรมก็แสดงถึงธรรม มีเกื้อมากมายเหลือสี่ประมาณเหลือ Lột trột tâm thăm quàm Câu trải đầy đòi thua thính Luâm quàm Cào đòi dân sàn lèo Có bên can xe đèn Cứ à Nôm nào Chắc trù Quàm nó ของสัตตวโลกทั้งหลายผู้ที่ จะปึงน้อมจิตน้อมจนสามารถ นำตนของตนให้เข้าไปสู่กรอบ เนี้ยก็คือศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 แล้วก็จะเป็น เทนิยกรรมว่าเป็นต้นว่าขันห้าวิธรรมหรือธรรมนั้นเป็นอายตนะในแกตาหู เรานี้ๆเช่นขันติแปลว่าความอดทนบ้างสมาธิความ ใจมั่นปัญญาความรอบรู้นี่แสดงถึงธรรมะๆไม่ยิงบุคคราธิฐานคือบุคคล ที่ได้ศึกษาความสําคัญต่อ วันแก่การที่จะวาจาถึง บรรลุครับแห่งจิตใจถึงซึ่ง เกิดขึ้นตั้งอยู่ ฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่ง ความบริสุทธิ์สาดแห่งกายความ ดังได้ยินพวกเราทั้งหลายได้ ก็เป็นหน้าที่ของศีลจะ 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 สิ่งเหล่านี้ ซึ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสที่มี เกิดขึ้นและควบคุมควบคุมจิต มีแต่กิเลสดังกล่าวจะกำเริบ ได้มีการค่าสัตว์เป็นต้นกายกรรมทั้ง 3 มีการ ความไม่สะอาดของกายเรา การทำบาปดังกล่าวโดยโย มันเป็นการเป็นสนามถึง ให้สภาวะปลันนั้นดับสูญไปด้วย ศีลนั้นก็จะเกิดขึ้นเมื่อ ไม่มีการเบียดเบียนใครๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายและชีวิตจิตใจเบียดเบียนใคร ให้พวกเราตึกตรอง Antarai hay kẻ cằn Sàng quàm xúc hay kẻ cằn Chà càn biệt biển Đổi trục Anh dàng quàm xúc Được ron hay cười khín Kẻ cằn là cằn đổi thẳng ọp Đây kẻ cằn Lắc khờ mồi ทรัพย์สินการของบุคคลผู้อื่น เมื่อเราไปแต่ แต่แต่มันไปกระเทือนถึงกันที่อื่นแต่มันไปกระเทือน ชาวมองและขุ่นมัวเพราะความ นามเอาศีลเข้า เมื่อเห็นผลอานิสงส์แล้ว ได้แก่ความระหายบาปเกิดความ โอตปะความสะดวาดจะดุ้งกลัว แล้วก็เป็นศีลเป็นการรักษา แต่ดื่มนมโคและไม่มีโอกาสที่ ได้สมาทานศีลกุปไมฉันนั้นคือ เมื่อเราจะมีการละมัดระวังสังวรก็ย่อมจะเกิดความๆรู้สึก ท้ายยิ่งเราขาดความรู้ในเรื่องของกรรมวสินและ Nau có trong pèl lắc, lắc xà Chíu vít khóng sạch năn năn khó vay Thưa Hàu Bún Mai lắc, lắc xà Có trong pèl lắc xà Sắp sống bạch khóng phú ưu Khó vay Có trong can tên khôn đi Dàn ni bình tôn Mần ตนพวกเราจริงการเพราะอยากจะเป็นคนดีศีลนั้นมันดีพวกเรา เว้นตามล่างฐานทั้งนานเข้าปัจจุบัน ตลอดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายของผู้มี มรังกายและนี่พอมาถึง เราเข้าถึงตัวศีลนี่ เราไม่ได้สมาทานไว้ก่อนแต่ มีความไร้ต่อบาปเกรงกลัว ไม่มีเหตุผลคนใด นั่นนั้นจะเป็นเครื่องรับ กลางเราเดินกลับบ้านนี่ถ้าเรามีอดที ไม่สามารถที่จะทําได้ ระวังการกระทําอันจะก้าว เราปฏิบัติธรรมเป็นอย่างตามมีพระ เป็นเป็นเครื่องควบคุมบริหารควบคุมในปัจจุบันเครื่องควบคุมทั้งเป็นผู้ ถูกทําหรือผิดธรรมนี่คือสํารจัญคือสัมปชัญญะ ในนี่คือสติหนึ่งนี่คือสติระลึก ถ้ามารู้ตามความเป็นจริง เดมัยหรือมันไม่เข้าวงคือผิดศีลรู้ตามความเป็นจริง ไม่ใช่จริงอย่างที่ใจ ไม่ได้รับการเพราะฉะนั้นแต่งคือ เขาย่อมจะสร้างความสําเร็จให้แก่ตัวของเราไม่ว่าจะเกิดขึ้น มันขุ่นมัวเฒ่าหมองตั้ง และตัวสิ่งทั้งหลายในโลกไม่ความเป็นไปในเรื่องของชีวิตของตนว่า มันจะดีจะชั่วจะถูกจะผิดประการใดเรียก รู้ดีเชื่อถูกผิดแล้วเว้นท่านสอนให้ ภาวะภาวโตหรือท่านสอนอย่างไรกันแน่นี่เมื่อรู้แล้วว่าความทั่วรู้แล้วว่าความ สัพปตปัสสะกะระณังในภิญญธรรมบาปทั้งปวงบาป เจตนาตั้งใจสมาทานตั้งงกตั้งใจจะงดไม่ทําสิ่งที่ชั่ว นี่คือลักษณะของผู้มีศีลไม่ใช่งดอย่างเดียวทั้ง ของศีลของอัตของธรรมอย่างไรหรือมันยังอยู่ในธรรมใน ก็ให้เรารู้ให้เราเข้าใจเพราะฉะนั้น เพื่อกําจัดสิ่งที่เป็นบาป หมดจตศาสตร์เพียงใดก็ 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 ก็ไม่สามารถที่จะก็ ก็จริงอยู่จริงอยู่ในหัวใจของเราดังที่ว่าย่อมเป็นบาตรฐานที่ ดับเพลิงโดยส่วนเดียวก็หาไม่ได้ณกองทุกข์ได้อันใหญ่หลวงสิ้นเชิงโดย ก็สําเร็จมาจากใจบาปที่จะ ธรรมว่าสําเร็จมาแต่ใจหมายเอา ศีลนั่นสมาธิดังนี้เป็นต้นดี รวนแล้วแต่แล้วแต่บริหารศีลคือสํารวมกายๆแม้แต่องค์ ฤโรกุตระธรรมแก่ผู้ใดมี พึงชำระศีลของตนให้ถึง ถ้าไม่มีพื้นฐานเวทีคือศีลเป็น ขาวสะอาดป่องใสตามขั้นตอนของ ย่อมเจริญสมาธิภาวนาสงบเป็นไปได้ง่ายดังนี้แต่ที่พวกเรา ไม่ต้องดูถึงการกระทําของผู้เราท่านทั้งหลายถามผู้ตามเป็นจริงที่ ไม่ใช่รู้เห็นได้เพราะการถามคนอื่นเพราะการฟัง เดี๋ยวนี้เวลานี้เวลานี้จิตใจของเรา เป็นงานของสติงานของสติเครื่องระลึกเมื่อสติของเราหน่วง มันดิ้นเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่หลุดมันดิ้นเพื่อจะต้องการดื่มนมต้องการลดนมของแม่ ต้องการให้หลุดมันไม่หลุดสมความ ดับมันก็เลยไม่ดินใจอย่างสนิทมันก็เลยไม่ ที่มันจะดับทุกข์แสบท้องแสบไส้พวกเราทั้งราย พากันมากระทําทุกสิ่งทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งธรรมะก็คือ พระจิตก็ต้องแต่เท้าจดปลายผมความเป็นใหญ่ ทั้งภายนอกภายในเมื่อให้ดวง พวกเราเสียงกลิ่นรสเหงื่อร้อนร้อนแข็งลาภยศ นี่โยมชมชื่นและติดกันอย่างแนบสนิท ลืมบรรพบุรุษศตศิลป์เรารักษาศีล เชื่อมโยงให้เราต้องผูกมัดด้วยไปเกี่ยวข้องทั่ว เชื้อกระท่อมมันเหนียวรักกระท่อมมันมั่นมันดิ้น เราผู้ปฏิบัติควบคุมจิตก็เป็น เราจะเที่ยวไปในแดนกว้างไกลคือสกลกาัยของเราถึง 32 มีศรัทธาแก่กล้าปลูกฝังสร้างความเชื่อในกรรมเกิด ความเมาจริงเอาจังเขาเป็นเอา ถ้าเราจะดูพุทโธก็เป็นพุทโธบริสุทธิ์ธัมโมบริสุทธิ์สังโฆ ความกำหนัดยินดีความพอใจไม่พอจังและความไม่รู้ลมทั้งเข้าและออกมัน มันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะมีตั้งแต่ความสว่างไสว Oh ราบยศสนิเสณฑ์สุขเสรญราบเสรญยศตรอดทั้งราคะโทสะโมหะตัณหามนะทิฏฐินั้น สติทำงานด้วยความมั่น รู้ตัวสงบรู้ลักษณะของความสงบที่ปรากฏภายในจิตใจของเราขั้นเป็นตัวปัจจุบันนั้นไม่ใช่ในอดีตในอนาคตไม่จะใจของเราไปให้รู้อยู่ใน ปัจจุบันขณะนี้เวลานี้จิตใจของเราป่อง ลงไปในจุดนั้นไปในจุดนั้นถ้ามันเกิดความฟ่องไสขึ้นมาเลือนลางสอดส่องเจาะลงไปด้วยปัญญาของ นำไปใช้กับสิ่งนี้ซึ่งเป็นเรื่องอดีตและอนาคตให้ใช้กันอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เวลานี้จิตเศร้า ธรรมทั้งหลายที่จะเกิดโดย การที่พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติกันมาโดยลําดับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมจะสําเร็จมาแต่ สำเร็จไปแต่ใจทั้งนั้นเมื่อเป็นดังนี้พวกเรา เพราะใจของเราเลยน่ะเค้า ที่พรคายไปจากกิเลสภายในจะสั่งงานสั่งการออกไปทางวาจา เพราะฉะนั้นฉะนั้นตามที่ได้ชี้แจงแสดง สิ่งใดที่มันดีมัน